ต้องมาปฏิบัติธรรมกันนะก็เพราะว่าเรายังมีความทุกข์อยู่นะถ้าเราไม่มีความทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องปปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดเราไม่มีความทุกข์ทางกายนะทางกายก็คือเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาเป็นสิ่งที่แน่นอนนะสิ่งเราเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะบางทีเราประสบ ความที่เราร้อนเราหนาวเราหิวเราก็หายนะเราเจ็บต่างๆแล้วเนี่ยเราจะมีความทุกข์มากนะในทางร่างกายของเรามันะเลี่ยงไม่พ้นเลยนะหรือแม้แต่ความหิวเกิดขึ้นนะเมื่อเรารับประทานไปไมันก็หายหิวนะแต่อไม่นานก็จะหิวซ้าขึ้นมาอีกนะก็ต้องรับประทานต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะ สิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานีไม่พ้นความทุกข์ทางกายเราก็แก้ไขไม่ได้ด้วยนะมันก็แก้ไขได้ชั่วคราวแล้วมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแล้วก็ความทุกข์ทางใจเพราะว่าคนเราเนี่ยจิตใจจะไม่ปกติหรอกนะมันจะขึ้นขึ้ น, นลงลงทั้งวันนะมีการผันแปรเปลีป่ยนแปลงไปตลอดเวลานะยินดียิ น, ยนล้ายทั้งวันนะสิ่งเหล่านี้ก็นาความทุกข์มาให้เราตลอด เราประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะะพัดพาจากสิ่งที่รักก็เป็นความทุกข์นะเราจะหนีมันไม่พ้นนะคราวนี้นะสิ่งที่เราหนีไม่พ้นเนี่ยเพราะว่าเรามีความเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองเมื่อเราไม่เกิดเราก็ไม่ต้องพบกับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายเหล่านี้อีกนะเพราะงั้นการที่เราปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยก็เือจะให้เราพ้นจากการเกิดนั่นเองนะ การนี้เราจะพ้นจากการเกิดก็คื อ, อกิเลสในใจเรานี้ต้องหมดไปไม่มีกิเลสเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวในความโลภความโกรธความหลงก็ต้องไม่มีในสิ่งเหล่านี้เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มันเกิดขึ้นมาได้โตใหญ่สูงสามสิบสี่สิบเมตรก็มาจากเมล็ดพันธุ์เล็กนิดเดียวมาตกลงไปในดินซึ่งอุดมสมบูรณ์ก็เกิบใหญ่ขึ้นมาจากเมล็ดเล็กนิดเดียว คนนั้นในจิตของเราแม้มีกิเลสเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ต้องมาเกิดใหม่อย่างแน่นอนนะเราก็ต้องชําระจิตของเราเนี่ยให้กิเลสลดลงไปนะเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไปในที่สุดที่สุดเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นคนทางในการพ้นทุกข์แท้จริงนะถ้าเราไม่ไปฏิบัติเช่นเนี่ยมันก็ไม่มีทางนะก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนับภพบนับชาติไม่ท้วน บางชายก็ไปเกิดเป็นอสัตว์เดรัจฉานไปตะสุรกายสันนรกก็มีนะมันก็เวียนไปอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันเพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยมันถึงที่สุดนะให้จบนในชาตินี้เลยนะถ้าไม่จบในชาตินี้ชาติต่อไปมันก็ง่ายขึ้นนะจากพบชาติที่ยาวก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆครั้งนี้ยหนทางที่เราจะไปบัติธรรมเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ยังมีอยู่นะพระเจ้าก็ให้หนทางให้กับพวกเรามาแล้ว ก็คือมรรคมียงแปดมรรคมียงแปดโดยสรุปแล้วก็คือศีลนะสมาธิปัญญาศนะีลก็เราก็ส่ว น, วนมากเราก็รักษากันอยู่แล้วศนะีลห้าศีลแตนะเป็นประจำนะสมาธิปัญญานี่ก็คือหนทางในการปฏิบัตนะิก็เริ่มต้นด้วยการที่เรามาฝึกเจริญสตินี่แหละ<ๆ>เขาเรียกว่าสติปัฏฐานสีสติปัฏฐาน 4. สีนก็มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือนะ การที่เรามีสติสัมปชัญญะในอิริบทหับภาเนะเมื่อยืนเดินนั่งนอนซึ่งเป็นอิริบทใหญ่เราก็รู้ไปในอิริบททั้งสีน่นี้ส่วนอิริบทย่อยดื่มกินพูดคิดคู่แขนเหยียดแขนต่างๆนะคือการเคลื่อนไหวต่างๆในตัวเราก็ต้องรู้ไปด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอิริบทย่อย เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วในอิริบบพุนบพะในกายน า, านุปัสสนาสติปัฏฐานนะแล้วก็มีเวทนาจิตตาธรรม า, านุปัสสนาสติปัฏฐานอีกสามอย่างนะแต่ว่าในระยะแรกนี้ก็จะเน้นในเรื่องกายน า, านุปัสสนาสติปัฏฐานก่อนนะการเรามาปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือให้เรามีพื้นฐานอยู่ที่ฐานกายเป็นหลักก่อนนะเช่น เราจะอยู่ปฏิบัติกับลมหายใจลมหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจออกยาวก็รู้อันนี้ก็ชื่ว่าอยู่กับฐานกายนะก็ใส่ฐานกายเนี่ยมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตให้จิตมีจิตเป็นจิตที่ตั้งมั่นสามารถอยู่ลมหายใจเมื่อจิตเคลื่อนไหวไปนะมีความคิดอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันก็กลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่ง นะอันนี้ก็เป็นวิธีการของอาณาปณสตินะครานี้นะอาณาปณสติก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีจิตละเอียดนะจิตละเอียดเนี่ยคือในสมัยยุคพุทธกาลเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตละเอียดมากเพราะว่าสมัยนั้นนะไม่มีเครื่องไฟฟ้าใช้<ไ>เมื่อไม่มีเครื่องไฟฟ้าใช้ก็เลยไม่มีโทรทัศน์ไม่มีนะคอมพิวเตอรนะ์ไม่มีวิทยุไม่มีลมภาพอ น, นะไม่มี สี่กํานิดความสดุกเยอะแยะเลยนะที่จะนําความปรุงแต่งมาสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยจึงฝึกอนาปานาสติเนี่ยได้ผลกันเยอะมากนะแต่ในยุคเราปัจจุบันนี้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในยเยอะมากนะจิตใจถูกปรุงแต่งไปเยอะจิตก็เลยไม่ละเอียดก็เลยมีความยากนะฝึกอนาปานาสติเนี่ยจะยากมากนะแต่ก็มีผู้ที่ฝึกได้นะฝึกได้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงให้อิรบท บพระมาในการเคลื่อนไหวให้เรารับรู้ได้เนี่ยอันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จิตหยาบอยู่นีก็เลยแยกออกมาไปอีกบทหนึ่งคืออีระบบทบพระเนี่ยออกมาจากอาณาปัญสตนะิให้เรารู้การเคลื่อนไหวต่างๆนะเพราะการเคลื่อนไหวเนี่ยสามารถที่รับรู้ได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นฐานกายด้วยเป็นฐานกายยาเหมือนกันนะเช่นคู่แขยเดียดแขนก้มเงยเนี่ยต่างๆเหล่านี้ให้รู้ทันยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้รู้ทัน นะเพราะนั้นเราก็มาทำในสิ่ง ย, บยาบยากเราเนี่ยให้จิตเกิดการรับรู้ขึ้นมาจะเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นนะคราวนี้เราทำไมต้องมาเคลื่อนไหวให้รับรู้นะก็มีทรงกล่าวไว้อีกบทหนึ่งที่เมื่อกี้เราสวดมนต์ไปแล้วคือบทพระเทกรัตตนะบทนี้มีความสำคัญมากเลยบทนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงกล่าวพุทธพจน์เอาไว้นะ ก็บอกว่าอติตางนานบาคขเมยะนับปฏิกังเสนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะก็คือไม่ให้ไปคิดนะในถึงอดีตนะอดีตที่ล่วงไปแล้วเนี่ยไม่ควรจะคิดถึงนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วล้วก็ไม่มีประโยชน์บางคนก็ไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วมีความเสียใจกับสิ่งใดนะ ยายพี่น้องล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็ไปเสียใจอยู่สามีภรรยาลูกเสียไปก็ยังไปนึกน้อยใจเสียใจอยู่อย่างนั้นนึกถึงที่ใดก็มีความทุกข์ทุกทีนะหรืออนาคตยังไม่มาก็ไปกังวลนะจะเป็นอย่างไรจะหางานทําได้ไหมเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรจะต้องไปใช้หนี้เขาเนี่ยจะหาเงินใช้หนี้ได้ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่มาแต่ก็ไปมีความทุกข์แล้วนะสิ่งเราแนะนําความทุกข์มาทั้งนั้นเลยเมื่ออยู่กับอดีตหรืออนาคต พ่อพูดตรงผมก็ดินส่งกัดต่อไปอีก pues ว่าบทนี้เป็นบทที่สําคัญมากเลยนะปัจจุบันนั้นปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัฏฐาตัฏฐาวิปัสสติอาสังหิลังอาสังกุปังตังวิทามนุพูเฮเจผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจม่มแจ้งไม่งนอนงันคลอนแขนเขาควรพ่อพูดอาการเช่นนั้นไว้ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้ก็คือปัจจุบันนั้นจะ ก็คือเห็นธรรมในปัจจุบันที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือการที่เราอยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้นะเมื่ออยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ทรงบอกว่าให้พอกพูนอาการเช่นนั้นไว้การที่เราพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้ก็คือการที่เราปฏิบัติให้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองให้เยอะๆนะก็คือให้ ปฏิบัติเพื่อที่จะให้อยู่กับปฏิบันให้เยอะๆนะการที่เราอยู่กับปัจจบันให้เยอะๆก็คือนะเรามีการเคลื่อนไหวใดๆใ น, ในอบทย่อยเลยบทใหญ่นี่เราก็รู้ในสิ่งเหล่านั้นเนะมื่อเรารู้แล้วเนี่ยก็จะเกิดการอยู่กับปัจบันได้เองนะแล้วก็ให้ปฏิบัติในการอยู่กับปัจจบันให้เยอะๆด้วยเนะพราะควรในการเช่นนั้นไวัยนะคือทําให้เยอะๆเมื่อทําได้เช่นนี้แล้วเนี่ย จิตของเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวนะเมื่อรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปกติได้นะความเป็นปกตินั่นเองนะก็คือสภาวะที่นําให้เราไม่ทุกข์นะเ mm hmm. พราะจิต ท, ที่เป็นปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงนะการที่เราจิตพันผวนแปร ไ, ไปในแต่ละวันขึ้นขน ล, งลงนั่นแหละคือความทุกข์ mm hmm. แต่เมื่อจิตกลับมาสู่ความเป็นปกติแล้วเนี่ยจิตก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะครับโดยอาศัยความเป็นปกตินี่แหละก็มาอาศัยตัวเนี่ยเป็น เป็นวิหารธรรมของเราในการที่จิตจะยังรู้กิเลสที่เกิดขึ้นในใจของเรานะเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมีความโลภความโกรธความหลงเราก็จะเห็นได้ง่ายเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความเป็นปกติเมื่อจิตอยู่กับปกติไปเรื่อยๆจนสามารถจําสภาวะที่ปกติได้แล้วสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นนะเช่นความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความอิจฉาเลสยาความหึงหวง ความน้อยใจเสียใจความกุ้มใจต่างๆเราเนี่ยคือความไม่ปกติทั้งสิ้นเลยนะจิตก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ปกติแล้วก็จะกลับมาที่ความปกติได้ครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็เกิดจากการที่เราฝึกเพื่อที่จะให้อยู่กับปัจจุบันได้บ่อยๆได้เยอะๆนั่นเองคือการพอกพูนอะาการเช่นนั้นไว้เนี่ยจนจิตสามารถจําสภาวะธรรม ท, ที่ปกติได้แล้วเนี่ยก็จะเห็นสภาวะที่ไม่ปกติได้ชัดขึ้นนะอันนี้เราจึงต้องมาฝึกกันคร้นนี้การฝึกเนี่ย ก็มีอยู่หลายวิธีนะหลายแห่งเขาก็ทำกันเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันนะครนี้วิธีการอบรมเทียนเนี่ยก็เลยสร้าง14จังหวะขึ้นมาเพื่อให้เรานะได้อยู่กับการที่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของมือ14จังหวะเนะมื่อเร า, าอยู่กับการเคลื่อนไหวโดยการที่เราไม่ไปจมแช่อยู่ในมือนะไม่เอาจิตไปเพ่งใส่มือให้เกิดความสงบ แต่เราเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแบบสบายๆสบายๆรู้เบาๆรู้เบาๆ <ultur: S 1> เคลื่อนไหวแล้วก็รู้เบาๆสบายๆไม่เพ่งไม่จ้องเนี่ยรู้การเคลื่อนไหวหยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้เนี่ยทำแค่นี้ไปเบาๆสบายๆเรื่อยๆ <c oughs> ก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเองเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเองโอ้รู้สึกตัวเป็นเช่นนี้เองนะความรู้สึกตัวเกิดจากการที่เรารู้ความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ย จนกระทั่งจิตเนี่ยสามารถที่จะจับความรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายที่เคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นส่วนที่จิตไปสร้างขึ้นมาให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเดินโยกมมก็เป็นกันอาศัยการเดินนี่แหละการเคลื่อนไหวของเท้าการกระทบของเท้าการเคลื่อนไหวเรารู้แบบสบายสบายรู้เบาเบาก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการ เกิดความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ในเท้าแต่ว่าเป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็อาศัยรู้สึกตัวเนี่ยมาเป็นวิหารธรรมของเราเป็นเครื่องอยู่เครื่องใสของจิตการรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวปั๊บก็จะอยู่กับปัจจุบันเลยเนี่ยอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องรู้ของจิตไปเรื่อยๆนะเมื่อจิตมีเครื่องรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยจิตก็จะอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆอแล้วก็เป็นปกติไปเรื่อยๆ เพรา ะ, ะนั้นเมื่อมีความคิดแวบไปในอดีตหรือนาคตก็จะรู้ทันทันทีเมื่อเราสามารถรู้ทันความคิดได้บ่อยๆนะกิเลสทั้งหลายซึ่งมาในรูปของความปรุงแต่งของจิตไม่ว่าจะเป็นความยินดียินร้ายความโลภโกรธหลงต่างๆเราเนี้จะรู้ทันทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเมื่อจิตเป็นปกติแล้วเนี่ยสามารถจะรู้ความไม่ปกติได้ทั้งสิ้น กลสต่างๆเราเนี่ยจะอยู่ในใจเราเราเนี่ยไม่ได้นานหรอกนะมันมาปุ๊บเนี่ยพอเรารู้ทันก็จะออกไปมาปุ๊บรู้ทันก็จะออกไปจิตของเราก็จะค่อยๆเบาค่อยๆใสผ่องใสขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งความเป็นพุทธะเนี่ยปรากฏขึ้นมาจริงๆ <c oughs> ความเป็นพุทธะเนี่ยปรากฏขึ้นนั่นก็คือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ เพราะว่าความเป็นพุทธะเนี่ยมีในตัวเราทุกๆคนอยู่แล้วนะเรามีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้ไปปลูกให้เขาตื่นขึ้นมานะวิธีการปลูกก็คือเนี่ยสร้างตัวรู้บ่อยๆนะอาศัยตัวรู้เนี่ยไปปลูกไปเขย่าให้เขาตื่นขึ้นมานะตอนแรกเนี่ยการเคลื่อนไหวมือเนี่ยก็เป็นตัวที่เราปลูกขึ้นมาให้รู้แล้วรู้การเคลื่อนไหวนะ การที่เราลูกการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้ครั้งสองครั้งแล้วเขาจะตื่นแต่ต้องรู้บ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้บ่อยๆนะจนกระทั่งจิตนี่มีความเคยชินที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวจิตเกิดความเคยชินรนับรู้การเคลื่อนไหวเพราะนั้นเมื่อเราเกิดความเคยชินแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในอินบทใดๆนะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดคู่แขนเหยียดแขน ทั้งลายแรงเนี่ยก็จะรู้ไปด้วยเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยเพราะจิตเนี่ยมีความเคยชินมีความเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวไปได้ตลอดนะการที่รู้ฉันเนี่ยเขาเรียกว่ารเราอยู่กับปัจจุบันได้ตลอดสายเลยนะจิตก็จะค่อยๆสะสมอนะการที่จิตจะตื่นขึ้นมาเรื่อยๆนะจิตมันจะตื่นขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเนี่ ย, ยเข้าสู่ความเป็นผู้รู้ได้นะผู้รู้นะ จากการที่เรารู้เฉยๆก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมานะผู้รู้เนี่ยจิตจะมีความละเอียดมากขึ้นนะจิตคิดไปแว บ, บหนึ่งรู้ทันทีนะจิตไหลเขาเ้าไปอารมณ์อะไรก็รู้ทันทีนะีมันจะค่อยๆตื่นไปแบบนั้นเรื่อยๆจนทั้งอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาเกาะกินใจอย่างเราได้อีกต่อไปนะเพราะฉนั้นพระริยเจ้าเนี่ยท่านท่านจิตท่านตื่นอัตโนมัติแล้วนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยเกาะท่านไม่ได้เลยนะ แต่อญญายรนาของท่านน่ยมีอยู่เมื่อกระทบแล้วก็หลุดไปหลุดไปทั้งหมดนะอันนี้คือคนทางง่ายๆที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์นะเป็นหนทางที่ให้ไวกับผู้ที่จิตยังหยาบอยู่กับโดยพระพวกเรานะในยุคปัจจุบันเนี่ยจิตของพวกเราเนี่ยค่อนข้างจะหยาบนิดหนึ่งเพราะนั้นเราจะไปใช้วิธีการละเอียดละเอียดของจิตเนี่ยมันก็ยากแต่โดยอาศัยวิธีการเนี่ยสามารถทาได้ง่ายแล้วก็ได้ผลเร็วนะ ก็พระเจ้าก็ทรงบอกไว้ว่าผู้ใดซึ่งจเจริญในสติปัฏฐานสี่นี้นะยางช้าไม่เกินเจ็ดปีนะยางกลางไม่เกินเจ็ดเดือนอย่างเร็วไม่เกินเจ็ดวันก็จะเป็นพระหันหรือพระนาคามีอย่างใดอย่างหนึ่งนะแสะดงว่าคนทาง น, นี้ก็มีความเร็วพอสมควรนะแล้วลวงผู้เทียนก็ยังได้รับรองไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติโดยวิธีการนี้ก็สามารถที่จะ ยังช้านะไม่เกินสามปีนะยังเร็วก็ไม่เกินเก้าสิบวันนะอันนี้ก็เป็นการรับรองจากครูบาอาจารยนะ์เราก็ฟังเอาไว้แล้วเราก็มีศรัทธาเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ที่เคยเดินผ่านมันหนทางนี้มาแล้วเนี่ยท่านรับรองไวเช่นนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อตามท่านแล้วเราลองดูนะ น, นี่ก็ไม่ใช่เป็นความที่เราประมาทแต่อย่างใดนะ เราลองทำดูแล้วเนี่ยได้ผลหรือไม่ได้ผลอยู่ที่ตัวเราเองที่จะพิสูจน์นะแต่ผู้ที่เป็นหลักยืนยันได้อยู่แล้วในคนทางเนี่ยมีอยู่หลายๆองค์นะท่านผ่านคนทางนี้มาแล้วจริงๆนะท่านก็สามารถพูดเราฟังได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะแม้แต่หลายหลา ย, ลายๆคนที่ปฏิบัติอยู่นี่ก็สามารถที่จะยืนยันในวิธีการนี้ได้ว่ามีอยู่จริงนะถ้าเราไม่มอีอยู่จริงแล้วเนี่ย สแสดงว่าคนทางนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะแบบอีกต่อไปนะมันก็ค่อยๆลดต่ําลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าทุกวันนี้ปรากฏว่าคนนะมาปฏิบัติวิธีนี้กันเยอะอันนี้ก็เพิ่งจะกลับมาจากบุรีรัมนยะ์ไปอบรมนักปฏิบัติที่นั่นมานะโอ้มีเข้ามา100ร้อยกว่าคนนะเป็นคนที่สูงอายุเป็นส่วนใหญ่นะเป็นสูงอายุเป็นส่วนใหญ่ก็ตั้งใจปฏิบัติกันดีมากตอนแรกมาถึงก็พูดคุยกันเสียงดัง ก็เลยต้องใช้ไม้แข็งเลยใครพูดคุยนี่ไล่กลับเลยนะกลับไปที่พักตรงนี้เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เคยโดนวิธีการนี้มาก่อนนะมาถึงก็พูดคุยกันแล้วก็คิดว่าจะมาปฏิบัติบตสบายๆแต่ก็เห็นแล้วล่ะต้องใช้ไม้แข็งพอใช้บรรลัยนี่ก็ไล่กลับที่พักไปเลยวันที่สนี่เงียบสนิทเลยไม่มีใครคุยกันตั้งใจปฏิบัติดีมากทั้งวันเลยโหเดินจงกรม แล้วก็นั่งใต้ยังหวะกันดีมากเลยเงียบสนิทเลยแล้วก็ปฏิบัติได้ดีมากแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยประเมินผลได้ผลดีมากเลยได้ผลดีมากจนบางคนบอกว่าอยากยัให้จัดถึงห้าวันเจ็ดวันบอกว่าไปตกลงกันก่อนไม่รู้แหละตอนนั้นก็จัดแค่สามวันนั้นเองะก็ก็ได้ผลกันเยอะเลยบางคนบอกว่านี่เห็นเห็นชัดเจนเลยว่าความคิดแวบไปแวบมาเห็นชัดเจนอ เราก็เห็นสภาวะที่เกิดดับด้วยนะทั้งๆนี้ไม่ได้พูดเรื่องเกิดดับเลยเพราะว่าเด็กเขาจะไปตั้งทงไว้ก่อนนะแต่เขาก็มารายงานได้ตรงกับสภาวะธรรมจรงิงๆทั้งๆทงี่เขาก็ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเพราะว่าเขาเอาจริงเอาจังกันเยอะนะกวิธีการเนี่ยประการแรกนี่จะต้องเอาใจใส่เอาจริงเอาจังนะถ้าเราจริงเอาจังในการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะได้ไดผลเร็วเพราะว่าเจ้าส่งบอกว่าวิาวลเยนะทุกขมเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร น, นะเราก็ ต้องใัยความขยันเพราะว่าวิธีการนี้เราจะไม่นั่งนิ่งๆหลับตาอันนั้นอันนั้นเราก็จะสบายเกินไปแล้วนะบางคนนั่งหลับนี่อาจารย์ก็ไม่รู้ก็เลยสบายเลยนะแต่เราก็เคลื่อนไหวนั่งเคลื่อนไหวก็ต้องอใสยความขยันที่จ ะ, ะมาเคลื่อนไหวกันนะตอนแรกนึกว่าผู้ใหญ่ระดับนั้น6เกเจ็ทธิคือทำไม่ได้เข น, นั่งทํำมาทั้งวันนั่งเคลื่อนมือกันตลอดเลยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยยังนึกว่าเขจะนั่งหลับกันแล้วเนี่ยแต่ไม่เราก็เคลื่อนไหวมือกันตลอดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินยกมือ นะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็ต้องใส่ความขยันอเคลื่อนไหวมือให้เยอะๆแล้วก็ไม่ต้องรู้ถึงร้อยเปอร์เซ็นะไม่ต้องรู้ว่าเออเคลื่อนไหวเงี้ยตลอดเวลาไม่จําเป็นถ้าเราไปรู้ตลอดเวลานั่นแหละเ ร, เราไปเพ่งไว้แล้วเพราะเรารู้ได้ตามที่เรารู้ได้นะจิตมันรับรู้ได้ชั่วขณะเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็แวบออกไปแล้วล่ะจิตมันเหมือนสเด็กดือด้อๆสักอย่างหนึ่งมันไม่อยู่นานหรอกมันจะเบื่อเร็วรูแป๊บนี้ก็นหนีไปนั่นคือธรรมชาติของจิตนะ ออกไปก็ออกไปแต่เมื่อเรายัางเคลืล่อนไหวรับรู้อยู่เดี๋ยวเขาก็า ก, ก, กลับมาอย่างเก่าเขาไปไม่นานหรอกนะแต่เราไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะออกไปเรื่อยๆเลยออกไปนานมากนะออกไปนานเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงนะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าหลงไปหลงนานนะเพราะเราก็อาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยเมื่อเคลื่อนไหวแล้วใจรับรู้เนี่ยการเคลื่อนไหวใจรับรู้เนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะเขาไปไม่นานก็กลับมายิ่งเพราะเราจับความรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ย ไปแว บ, บเดียวกลับมาเลยไปแว บ, บเดียวกลับมาเลยเขาไม่ไปไหนเขาจะวนๆอยู่ในตัวเราเนี่ยนวนๆอยู่แค่นี้เองนะไปไม่ไกลไปปุ๊บกลับมาปุ๊บไปปุ๊บกลับมาปุ๊บเลยไวมากจะกลับมารวดเร็วแต่ก็ไม่เป็นไรเราอย่าไปตั้งใจแบบนั้นเขาจะไปก็ไปนะไม่เป็นไรถ้าแม่ก็เราก็ไปคอยจ้องเออค่อยจ้องอยู่มันก็ไม่ไม่ใช่การเจริญสติโดยวิธีการนี้นะเพราะการไปจ้องไอ้เพ่งนั่นแนหะเขาไม่ไปไกลหรอกแต่ว่า เขาจะนิ่งๆเลยนะมันไม่ได้เกิดตัวรู้ขึ้นมานะเราก็เนี้ยคลื่นไหวไปเรื่อยๆเพราะว่าคนเราเนี่ยปกติใ น, นจะหลงอยู่ประจำํำ<ะ>เรียกว่าหลงคิดนะหลงในมากกว่ารู้นะคนเราคิดในประมาณวันละห้าหมืครั้งนะมีสถิติคนเขาทําวิจัยอาไว้แต่เราในจะรู้น้อยมากนะหมืน่นครั้งเนี่ยไม่รู้นะพันครั้งยังไม่รู้แม้แต่สิบครั้งก็ยังไม่รู้ว่าเราจะรู้ถึงหรือเปล่าเลยนะอันนี้เราหลงทั้งวันนะความหลงนั่นแหละนําความทุกข์มาให้เรานะ เราก็นํากิเลยต่างๆให้เราแต่เราอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยมาสร้างให้เกิดความรู้ขึ้นมาเ้าเรียกว่ารู้สึกตัวเนี่ยเมื่อเรารู้มันก็ไม่หลงนะยิ่งรู้มากหลงก็จะน้อยลงนะเพราะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามมาตัวหลงก็คือตัวรู้นั่นเองนะเราสร้างตัวรู้ให้เยอะๆเคลื่อนไหวบ่อ ย, อยๆให้รู้สึกตัวอยู่บ่อยๆนะเคลื่อนไหวใดๆอ่ๆก้มแขนอ่าก้ม กลมตัวเหยียดตัวอคู่แขนเหยียดแขนเสียงต่างๆเราทําได้หมดนะมันจะขึ้นไหวทั้งวันวันวันหนึน่งเราเนี่ยจะมีการเขึ้นไหวอยู่แล้วโดยเพราะการเดินเนี่ยจะเดินไปนู่นไปนี่แทบทั้งวันวันละสองสามยี่โม ง, งเนี่ยเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วนะไม่ใน ไ, ไ, ไม่นับเวลาเดินก้มเนี่ยอาศัยตัวนี้รู้ไปได้ตลอดเลยนะเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างเงี้ยจนกระทั่งจิตเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันจะไวนะไวมากเขาเรียกว่าเราไม่ต้องไป ตั้งใจทาความเพียรเลยแต่มันจะเป็นอัตโนมัติได้เองถ้าเราสามารถที่จะปรับชี พ, ชพไปจำบันให้เข้ากับการปฏิบัติได้เนี่ยมันจะไวนะกิเนเละเราก็จะค่อ ย, ค, อยค่อยลดน้อยลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่ต้องไปรู้เราว่าเขาลดไปเท่าไหร่นะเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงยก อ, อุปมาแบบนี้ว่ามีมีช่างที่ใช้เครื่องมือช่างนะเช่นมีดนะตั้งเป็นต้นเนี่ยนามาทาการ ผ่าฟืนบ้างนามาตัดไม้บ้างนะเขาก็ไม่รู้ว่าดาบมีสึกไปเท่าไหร่แต่เมื่อนานไปก็จะเห็นไปว่าดามีสึกลงไปบ้างแล้วเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ากินเหเ่าลดลงไปสักเท่าไหร่แต่เมื่อนานๆไปเราจะสังเกตว่ากินเหล่าเนี่ยก็ค่อยๆลดลงไปบ้างแล้วนะก็ลดไปเรื่อยๆโดยเราไม่รู้ไม่รู้ตัวนะ การที่เรากินเลดลดหรือไม่ลดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะเราต้องรู้ให้ทันเพราะบางบางบางท่านอาจจะเคยเป็นบัตรมาหลายหลายวิธีการนะครั้นี้เราจะรู้ว่าวิธีไหนที่มันถูกกับริตเราหรือไม่เราก็สังเกตอย่างนี้นิดนึงนิดนึงว่าไปบัตรไปแล้วเนี่ยกินเลดเราลดลงไปไหมนะแล้วก็ใจเราเย็นลงไปไหมความทุกข์ลดไปไหมเนี่ยเราต้องสังเกตนิดนึ่งนะก็เลยให้ข้อสังเกตอย่างนี้ว่าเป็นหลักว่าไปบัตรแล้วเนี่ย สังเกตว่ากิเลสเนี่ยลดลงไปไหมนะข้อแรกประการที่สองเนี่ยความทุกข์ลดลงไปไหมประการที่สาเนี่ยปฏิบัติแล้วสบายไหมถ้าสามอย่างเนี่ยปฏิบัติแล้วเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ตรงกับจริตของเราแล้วนะก็ปฏิบัติต่อไปนะวิธีการใดก็ได้แต่ถ้าปฏิบัติแล้วตรงข้ามเออปฏิบัติแล้วเราใจร้อนมีความโุรหงิดง่ายนะกิเลสก็ยังเยอะอยู่ความโกรธก็ยังเยอะอยู่อันนี้อาจจะไม่ตรงกับจริตของเรานะ เราก็ต้องหาวิธีการใหม่ไม่งั้นก็เสียเวลาไปตลอดชีวิตของเราเนะยเราก็ไม่ได้กล้าไปถึงไหนหรอกโดยอาศัยการที่เรามาเจริญสตินี่แหล ะ, ละเราจะไปรู้เท่าทันกิเลสของเราได้อย่างง่ายด้นะจนกระทั่งมันจะเครือบในจิตของเราเนี่ยไม่ได้เลยนะมันจะหลุดหลุดรอดออกไปหลุดรอดหลุดรอดออกไป อ, อย่างรวดเร็วนะถ้าเราตั้งใจทำจริง แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมเมื่อเราดูกายดูกายก็คือดูการเคลื่อนไหวนี่แหละดูกายการเคลื่อนไหวเราก็จะไปเห็นจิตเห็นจิตก็คือเมื่อเราเคลื่อนไหวเนี่ยก็คืออยู่กับปัจจุบันเราก็จะไปเห็นความคิดความคิดนี้จะไม่ได้คิดอยู่ในปัจจุบันแต่จะคิดเป็นอดีตคิดเป็นอนาคตเท่านั้นเมื่อเราเคลื่อนไหวเนี่ยเราดูกายเราก็จะเห็นจิตก็คือเห็นนะ ความคิดที่มันแลบเป็นในอดีตแลบในอนาคตเพราะเราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะเราอยู่ปัจจุบันปุ๊บก็จะเห็นสิ่งที่มันหลุดจากปัจจุบันเราจะเห็นทนัทนทันทนทีนะเมื่อเรานั่งเบาเนี่ยคนยี่จะนั่งมานั่งเบาเราไม่ได้พอมานั่งปุ๊บเราจะรู้ทันนะเราก็พักเขาออกไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยอ ด, ดีตอนาคตเข้ามาจะเห็นเห็นได้ทันทีเลยนะแล้วก็าก็บอกว่าดูคิดเห็นธรรมนะเมื่อเราเห็นความคิดแล้วเนี่ย เราจะเห็นความเกิดความดับของความคิดเพราะความคิดก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคิดไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ดับไปเหมือนกันคิดแล้วก็ดับคิดแล้วก็ดับเนี่ยยิ่งเราเห็นได้ไว <convenience. S 2> ก็ยิ่งดับเร็วเท่านั้นนะเราจะเห็นสนภาวะที่เกิดเกิดดับดับของความคิดะการที่เราเห็นความเกิดดับของความคิดนั่นหละคือเราเห็นธรรมการเห็นธรรมนี่หมายความว่าเห็นในความเป็นจริงของอทุกทุกสภาวะธรรมนั่นคือเห็นความเป็นจริงของเขาความจริงคืออะไรนะ ความจริงนี่คือหลักเขาเรียกว่าพระไตรลักษณ์นะพระไตรลักษณ์นี่เป็นหลักความจริงของธรรมชาติเลยพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้คือเราจะเห็นในจุดนี้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นตัวเราบุคคลอื่นหรือสรพรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาทั้งสิ้นนะเราจะเห็นถึงความเกิดความดับ อันนี้คือเห็นความจริงหรือว่าเห็นธรรมแล้วถ้าผูได้เห็นในสิ่งเราเนี่ยเขาเรียกว่าเราเห็นธรรมการที่เราเห็นธรรมเนี่ยต้องฝึกเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นอาการที่มันเกิดอาการที่มันดับไปบ่อยนะเราจะเข้าถึงความจริงได้เพราะเข้าถึงความจริงเนี่ยจิตก็จะยอมรับโอมันไม่ใช่ตัวตนของเราเลยน้ะไม่ใช่สิ่งเราที่เราจะบังคับบัญชาเขาได้เนี่ยจิตก็จะค่อยๆปล่อยวางปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวของเราเนี่ย ่อยไปเรื่อยๆนะเพราะความยึดมั่นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิด อ, อุปทานนั่นเองนะะจิตจะปล่อยปล่อยออกไปเมื่อจิตปล่อยไปแล้วเนี่ยอุปทานในตัวเราเนี่ยจะลดน้อยลงนะเช่นเราเรายึดมั่นในตัวตนของเราเยอะเนี่ยเราจะเข้ามาเห็นแล้วว่าเออการยึดมั่นในตัวตนเนี่ยมันเป็นความทุกข์นะเป็นความทุกข์จริงๆนะมันก็จะค่อยๆปล่อยปล่อยออกไปในสุดความยึดมั่นในตัวตนเนี่ยเราจะน้อยลง พอความยึดมั่นในตัวราเราลยลงไปแล้วเนี่ยความยึดมั่นในสิ่งอื่นเนี่ยจะน้อยลงไปด้วยนะจะไม่มีสิ่งต่างๆที่เราจะยึดว่าเป็นของเราอีกต่อไปเช่นไม่มีสมบัติของเราไม่มีลูกไม่มีภรรยาไม่มีสามีของเราเมื่อจิตปล่อยไปเนี่ยจิตนี่มันก็จะเมื่อหมดอุปทานแล้วเนี่ยภพชาติก็จะหมดไปด้วยนะหมดไปเลยเราก็ไม่ได้มาเกิดใหม่นะครั้นี้ ครั้งนี้พูดเรื่องปฏิจจสมปปุปาทนิดนึงจะได้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงมันจะหมดไปได้อย่างไรนะปฏิจจสมุ ป, ปาทก็เริ่มโดยอวิชาก่อนอวิชานี่เป็นปจัจจัยให้เกิดสังขารสังข า, ารก็เป็นปจัจจัยให้เกิดวิญญาณอวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูป ก, ก็เป็นปจัจจัยให้เกิดสลายยานะสลายาลายนานะก็คืออายะ ต, ต, ตะนะทั้งหกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเมื่อเกิดสลายยานะแล้วเนี่ย ก็จะเกิดผัสสะก็คือการกระทบรูปนะเมื่อเกิดการกระทบแล้วก็จะเกิดเวทนาเวทนาก็คือความยินดียินร้ายนะหรือความวิตรใจเป็นกลางๆเมื่อเกิดเวทนาก็จะเกิดตัณหาคือความทะเยอยานอยากคือความอยากในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดอุปทานอุปทานก็คือความที่เราไปยึดอย่างที่ที่ว่ามานัแหละเมื่อเกิดอุปทานแล้วเนี่ยก็จะเกิดภบเกิดชาติตามมา เม่เกิดพบเกิดชาติก็จะเกิดชร า, าบรณะโสกกาป ร, ริเทวทัตุขโทมนานัสุปายาสาปิทาตามมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเมื่อเราปล่อยอุปทานได้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดพบเกิดชาติต่ตอไปนะมันก็หมดหมดภพหมชาติในปัจจุบันนี้นะคือเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจะเห็นถึงสภาวะที่มันเกิดเกิดดับดับบ่อยๆแล้วเนี่ยจิตมันจะค่อยๆปล่อยนะปล่อยความยึดยึดในอุปทานเนี่ยออกไปทั้งหมด นั่นคือภพชาติเราจะสิ้นไปในจุดนี้นะเนี่ยเป็นคนท่านที่เราจะจะนทุกข์กันได้เพราะนั้นก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะเมื่อเรามาแล้วเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันแรกในการที่เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติจริงๆนะก็ให้เราเห็นประโยชน์ในจุดนี้ว่าเรามาทำในสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเราเองจริงๆนะเราไม่ได้ทำเพื่อใครเราทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วนะทาเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อสามีเพื่อภรรยา มาเยอะแล้วแต่วันนี้ในเจ็ดวันเนี่ยเราจะทำเพื่อตัวเราเองนะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจนะในจิตในใจของเรานะกลับมาดูตัวของเราดูใจของเรานะขนทางนี้นะเป็นขนทางที่สั้นนะและสามารถที่จะเข้าถึงทำได้เร็วนะลองตั้งใจดูจริงๆสักเจ็ดวันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะ รับประกรันได้ว่าท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าตั้งใจจริงๆนะขอเวลาเพียงที่ระยะสั้นๆนี้เท่านั้นนะโดยการที่เราเพิ่มพลังแห่งศรัทธาวิริยะคือความขยันและขันติคือความอดทนเท่านั้นเราก็จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติใน7วันนี้นะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จมีดวงตาเห็นธรรมแลวเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านเท่น